ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอเทราคาถาเรื่องคาถาของพระอัญญากนลธรรัญะอาจากที่กล่าวมาแล้วเป็นการเชี่ยเห็นว่าคาถาแต่ละบทที่พระเทระกล่าวนั้น เป็นการแสดงถึงหลักการในการปฏิบัติธรรมะหรือบางครั้งก็เป็นการสะท้อนพฤติกรรมของพระภิกษุทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเช่นในส่วนที่ไม่ดีท่านบอกว่าภิกษุผู้มีจิตใจฟุ้งซ่านกรับกรอกก็หาแต่มิตรที่เลวทราม ย่อมถูกคลื่นซัดจมอยู่ในห้วงน้ำใหญ่คือสังสารวัตรก็ต่อไปบอกว่าภิกษุผู้มีใจไม่พุ้งสั้นไม่กลับกรอกมีปัญญาเครื่องรักษาตนสำรุมอินทรีเข็ผหากับกันละยาณมิตรนักปราดพึงทาที่สุดแห่งทุกได้ก็เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนสองกลุ่ม รูนึงก็เดินชีวิตไปบนกระแสของกุศลที่เริ่มต้นด้วยใจฟุง้งซ่านอีกรูปหนึ่งก็เดินไปที่กระแสของกุศลที่เริ่มที่ใจไม่ฟุ้งซ่านเพื่สังเกตว่าจิตใจของเรานั้นมีความสาคัญมากก็สอดรับกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จมาแต่ใจถ้าใจเราคิดไม่ดีการทำการพูดก็จะไม่ดีตามไปและผลแห่งทุจริตที่เกิดขึ้นจากการทำพูดที่ทุจริตก็จะติดตามบุคคลไป<ะ>เหมือนเงาที่ติดตามบุคคลเล่านั่นไปฉะนั้น วิใใจัยเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาก็คือดิ้นรนกัดแหว่งห้ามยากรักษายากมักตกไปในอารมณ์ที่ชั่วดูตัวอย่างง่ายๆว่าการเจริญสมถกรรมฐานข้ออนาปานสติตอนต้นๆก็จะฝึกขารนับลมหายใจเขา้าออก คือนับจากหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบแล้วก็กลับมาหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าอีกเอาเข้าจริงเนี่ยสลับลำดับบ้างสลับขั้นตอนบ้างเช่นช่วง น, นี้จะนับหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดเหลือไปเป็นแปดแปดหรือไปเป็นงงอยู่ตอนเจ็ดเจ็ดหรือไปชช่นนักตอนหกก ไอ้ใจที่คุ้งซ่านไปขนาดนั้นถ้าเราทํา ง, งานที่ประนีตโอกาสที่จะเกิดอุอบัติเหตุนั้นมีได้เป็นมันมากแต่ในที่นี้ท่านก็แสดงให้เห็นสองด้านแล้วก็อุปมาอุปไม้เทียบเคียงให้เห็นว่าคนที่ใจฟุ้งซ่านนั้นมันก็เหมือนกับคนที่ ว่ายน้ำไปในกระแสสมุทรบางคนจมน้ําหายไปเลยไม่โผล่ขึ้นมาอีกบางคนก็จมไปแต่ว่าโผล่ขึ้นมาได้บางคนก็จมไปแล้วโผล่ขึ้นมาได้ก็ประคับประครองตัวไปได้บางคนโผล่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะายหน้าเขาหาฝั่งได้บางคนก็ว่ายน้ําเข้าสู่ฝั่งได้ บางคนก็ขึ้นไปถึงฝั่งได้บางคนก็ไปยืนอยู่ที่ตะลิงได้นั่นก็แสดงให้เห็นความแตกต่างในรายละเอียดของคนแต่ละคนความแตกต่างเหล่านี้ก็กลายเป็นแตกต่างที่สากลทั่วไปไม่ว่าจะนําไปเที่ยงเคียงกับเรื่องอะไรก็ตามแต่เมืผ่ายที่จงกันข้ามมันก็จะไปในทางที่ดีเพราะว่า ใจที่มีฟุ้งซ่านนั้นแสดงว่าผ่านการฝึกปรือมาจนใจมีความสงบที่ท่านเรียกว่าเจตสโวุปสมภคือทาใจคนรุนให้สงบเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านผู้นั้นก็จะกบหาสมาคมกับบัณฑิตผลจากการกบหาสมาคมกับบัณฑิตก็ แต่รับการชีแนะชี้นำจากบัณฑิตจะมีปัญญาคุ้มครองตัวรักษาตัวได้แล้วเห็นโทษของการไม่สำรวมระวังอินทรีย์ที่นำไปสู่ความพุ่งสานก็พยายามสำรวมระวังอินทรีย์ไม่ใจเกิดกำนัดเกิดขัดเคืองเกิดลุ่มหลงเกิดมัวเมาในอารมณ์ที่ตนสัมผัส ก็ได้กัญยาณมิตรที่เป็นบัณฑิตซึ่งก็หมายความว่าในที่สุดก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นบัณฑิตยอย่างท่านบัณฑิตเหล่านั้นก็คือเป็นนักปราดที่ท่านเรียกว่าเมทาวีคือเป็นนักปราดในข้อต่อไปก็กล่าวถึงพระที่บำเพ็ญเพียรอย่างเข้มงวดวดขัน ไม่เคยำํำนึงถึงทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแก่ท่านก็ความว่านรชนผู้มีตัวสะพรั่งไปโดยเส้นเอ็นมีความยินดีในบิเวกเป็นผู้รู้จักประมาณในข้าวและน้ำมีใจไม่ท้อถอยอการปฏิบัติในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เอาจริงเอาจัง อย่าแนวข้องการเจริญทุดดงของพระบางรูปอาจจะใช้ทุดดงถึงสามถึงสี่หรือบางองค์อาจจะถึงห้าทุกเรื่องมันจะยุ่งยากไปทั้งหมดในที่สุดก็ร่างกายก็จะไม่สมบูรณ์หรอกก็จะผายผอมมีเส้นเอ็นสะพั่งขึ้นมาตามตัวแต่ว่าใจท่านเ อ, เองก็ยินดีในความสงนทคือวิเวก วิเวกมันก็มีอยู่สามระดับระดับหนึงสงัดกายก็เรื่องที่อยู่ที่อยู่ที่อาศัยของท่านมีความสงัดรบไม่มีเสียงรบกวนจากคนจากสัตว์หรือจากสิ่งท่างวิเวกอีกประการหนึ่งเป็นวิเวกทางกายคือหมายความว่ากายวาจานั้นก็สงบอยู่ที่ศี เชนว่ศีลหา้าศีลแปดเนี่ยถ้าหากว่ารักษาได้ก็สงบกายสงบปาจจไว้ได้เยอะแต่ว่าศีลแปดที่จริงมันเลยไปถึงสงบจิตเพราะว่าศีลข้อวิกาเนี่ยถ้าหากว่าเรางดเว้นได้ไม่รับประทานอาหารเย็นร่างกายก็ไม่ถูกกระตุ้นด้วยการมราคับ ก็สามารถทำให้จิตของท่านสงบได้จากการมราคะการลเล่นดนตรีต่างๆตลอดถึงดูการละเล่นต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็กระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะมอมม่อให้ลุงล่งหลงลุง่มหลงเพลิดเพลิอนอยู่กับอารมณ์ของโลกแล้วก็ท่านสารวมใจไปได้ โดยรักษาศีลข้อที่เจ็ดมาถึงข้อที่เจ็ดข้อที่แปดก็เหมือนกันแหละคือการประดับประดาตกแต่งร่างกายโดยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องยองเครื่องถาดทั้งหลายแต่วันในศีลแปดนี้ท่านจัดไว้เป็นข้อเดียวกันแต่ศีลเอนนี่จะแยกออกนะจะแยกออกเป็นสองข้อข้อที่เก้าก็มากลายเป็นข้อที่แปด คืองดเว้นจากการนอนบนที่นองสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีถึงลาดวิจิตงดงามทั้งหลายถ้าท่านทำได้ถ้าท่านปฏิบัติได้มันก็บันเทากรารราคางเพราะการนอนในที่นั้นมันก็เหงาปเปล่าเปลี่ยวปรารถนาคู่เคียงคือคนอื่นมานอนรวมรวยในสุดความคิดก็ฟุง้ง สั้นคุ้งสั้นสัสายไปในที่ต่างๆทีนี้อาการวิเวกเนี่ยเประเึงจุดหนึ่งมันก็เป็นผลของสมาธิก็เรียกว่าสงัดจิตคือจิตมันสงัดสังัดจากอะไรสังัดจากนิวรณ์ทั้งห้าประการ เือกการที่ใจไปเหนียวนึกไปตรึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ความปรารถนาความพอใจในสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจก็ไม่อื่นไปจากเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลทัาพละแหละพูดไปพูดมามันก็อยู่ที่อาญาอารมณ์โลกทั้งหกประการนั่นเองเพราะบางครั้งบางคราวมันบังคับใจให้สาย ไปกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับอารมณ์หล่อนั้นอาจจะย้อนวนนึกถึงอารมณ์ในอดีตที่ทําให้ตนเองเพลิดเพลินหรืจะไขว่คว้าปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นอารมณ์ในอนาคตที่น่ากำหนัดเพลิดเพลิอนอย่างที่ตนได้เคยสัมผัสมาในอดีตบางครั้งก็เพลิดเพลินกับอารมณ์หล่อนั้นในขณะนั้นนั้น ครๆการดูการและเล่นดูการแสดงต่างๆมันก็เพลิดเพลิอนอยู่ในขนาดนั้นแล้วก็จเหนว่าจิตเราก็จะอ่อนไหวไปกลับอารมณ์ที่กระตุ้นให้ใจให้เพลิดเพลินเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสงบสมาธิก็สงบความกำหนัดเพลิดเพลิอนออกไปได้อีกแนวหนึ่นงก็คือพยาบาัต ก็เป็นาการของโกระความโกรธความผูกโกรธความอาฆาตความจองเวรก็แล้วแต่ว่ามันขึ้นพ้นขนาดไหนพวนี้มันก็บังคับใจให้สายเหมือนกันสายไปสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างแต่ด้วยอำนาจของความพยาบาทส่งจำแนกไวเป็นเก้าประการ เป็นอดีตสามอนาคตสามปัจจุบันสามอดีตก็เอาเรื่องเก่ามาคิดว่าในอดีนี้คนเหล่านี้เคยเป็นอันตรายต่อเราเคยเป็นอันตรายตอย่อญาติพี่น้องของเราหรือเคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กื่กูลตรอศัตรูเราก็ไม่พอใจแล้วก็เอามาตืนึกมาเนียวนึก บางครั้งก็คาดหมายในอนาคตว่าต่อไปคนพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราอาจจะทำประโยชน์กือกูนต่อพวกศัตรูของเราบางครั้งก็นึกเอาในขณะนั้นนั้นว่าคนเหล่านี้กำลังทำอันตรายต่อเรากาลังทาอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรา กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทราศัตรูเราก็พยาบาทได้เองเหมือนกันแนประการที่สามก็คือเ็าเรียกว่าถีน้งพิทะเต่นาการที่ใจประสบความง่วงหเหงาาหอนนอนมาจากจิตมันไม่พร้อมเ็าเรียกว่าลีในะจิตคือจิตมันหดถูมันซึ่งเศร้ามันหดถู มันไม่พร้อมที่จะอ่านหนังสือที่จะทำงานจะไหว้พระสวดมนต์จะนั่งสมาธิจะอะไรสักอย่างใจมันใช้งานไม่ได้ก็มีอาการง่วงเหงาหาอนอนซึ่งซึมหงอยเหงาหดถูเคืิบเคริมจุดชื่อจะเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยสิ่งหมดอะไรตายากไปเลยอาการต่อไปนั้นก็เป็นอาการของโมหะ เป็นการที่จิตมันฟุ้งอย่างในกรณีที่พระเถระยกตัวอย่างอันนี้คือใจมันฟุง้งแล้วก็สัดสายไปโดยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละก็เรื่องนิวรานั่นแหละแต่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจจะหลายข้อเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเรื่องโน้นทีบางทีก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะลมเหล่านั้นมากระตุ้นจิต ให้กระสับอยากบ้างให้อาคตบาาร้ายบ้างให้มือลอยบ้างให้ฟุ้งสั้นเล่นไปเล่นมาเมื่อกลมปลายเสาอยู่ไม่นิ่งจะถึงประการที่ห้าคือคือวิจิกิจาเป็นความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องแปดเรื่องใหญ่ๆ ก็คือในเรื่องของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในศีลสมาธิปัญญาน่ยคยือคือสายสิกข่าแล้วก็เครือแคลงสงสัยในเรื่องสังสารวัติในเรื่องอดีตตนเคยเกิดมาแล้วหรือไม่ในอนาคตจะเกิดอีกหรือไม่ในปัจจุบันตนกำลังเป็นอะไรอยู่หรือว่าเป็นใครอยู่ แล้วก็สงสัยในกฎเกณฑ์ของตัวสังสารวัตรก็คือปฏิจจสมบัติที่เคยเจอในตอนสังยุตติกายนะก็ปูดมาหลายตอนด้วยกันแต่ปฏิจจสมบัตินั้นท่านอธิบายมิจิตพิสดารมากคือถ้าเราจะเข้าไปจริงๆคือไม่เหมาะสมาพูดออกฝังวิทยุเพราะว่าคนฝังวิทยุนั่งกระจาย แต่เราไปพูดธรรมะที่มันเกินวิสัยคือเราเองก็เข้าไม่ถึงแตคนที่เข้าถึงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเป็นประโสดบันเข้าถึงด้วยปริยัติอธิบายเอาเราก็ได้เยอะๆคือมันต้องเขียนเป็นรูปชาร์ตอะไรในกระดานแล้วก็องค์ธรรมเนี่ยคนฟังต้องแม่น วันเวลาท่านสอนแนวพิธรรมเนี่ยคนก็ต้องท่ององค์ธรรมให้ได้เสีก่อนแล้วก็เห็นกรอบขององค์ธรรมแต่ละข้ออวิชาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงบิญาญณญเป็นยังไงนามรูปเป็นยังไงก็ว่ากันนานบางคนก็ว่ากันเป็นสิบสิบปีนะฮะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่สามารถที่จะหมุนปฏิจจสมบัติให้คนอื่นก็เข้าใจได้ อันนี้ก็เลยสงสัยใหญ่เลยความสงสัยเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเป็นภูเขาที่ปิดกั้นการเข้าถึงธรรมะของคนเอาไว้แล้วไม่ต้องมากคือข้อใดข้อหนึ่งท่านั้นเองพอข้อใดข้อหนึ่งมันก็สะหยุดสะดุดแล้วกว็ไปไม่ได้แล้วแล้วถ้าไปติดอยู่ในนิวรณ์สักข้อเนี่ยเรียกว่าจบสิ้นกัน คือไปไหนก็ไม่ได้ทีนี้เมื่อท่านทําใจ่องท่านให้สงบแต่ว่าสงบระดับนี้ได้เนี่มันต้องมารู้ระดับฌานไปแล้วคือเป็นลุกไปฌานไปแล้วแต่สงบแบบสยบนะฮะไม่ใช่สงบได้อย่างสิ้นเชิงเป็นการสยบไว้ชั่วคราวพอกอระทบอารมณ์ข้างนอกมันก็กําเริบได้อีกนั่นแหละ พอธรรมดาของจิตมันก็เป็นอย่างนั้นตราบใดที่งูตัวนี้ยังไม่ตายนะคือหมายความกิเลสยังไม่หมดไปจากจิตก็อตอ้องระบาดระวังอยู่ตลอดไปคนที่ปลอดภัยแน่นอนเนี่ยคือตั้งแต่ผสมระาบัดขึ้นไปนอกจากนั้นมันก็ไม่ทิงแพ้แน่นอนทั้งนั้นแหละ วิเวกที่เนื้อหาจริงๆ จ, งๆจึงไปอยู่ที่อุปธิวิเวกก็คือส ง, งัดหมายความมากิเลสมันดับไปอย่างสิ้นเชิงเช่น่าดับราคะได้อย่างสิ้นเชิงนี่เป็นถึงพระอนาคามีนะฮะดับโทสะได้สิ้นเชิงก็เป็นถึงพระอนาคามีแต่ในขณะเดียวกันร า, ราคะในนามธรรมที่สวยคือจิตมันสวย คือรูปรชาญในรูปรชาเนี่ยมันต้องเป็นคนระดับพระอาหารหันตึงถึงจะดับได้จริงๆรพระนางคามีก็ยังละได้สิ้นเชิงไม่ได้เพราะในสังโยชน์ท่านจึงอยู่ในกลุ่มของสังโยชน์เบื้องสูงที่คนระดับพระอาหาันท่านังเดงจะละได้เพราะท่านก็อยู่ด้วิเวก อย่างน้อยก็ได้กายวิเวกไปก่อนแหละเพราะแต่เราได้กายวิเวกได้จิตมันก็จะบ่ายหน้าเข้าหาความวิเวกคือความสงัดแล้วการที่จิตสังัดตันเองที่จริงมันก็สงัดกิเลสไปด้วยในขณะนั้นแหละเมื่อจิตมันสงบจากกิเลสกิเลสมันก็สงบจากจิตก็แสดงว่าก็สงัดจากกิเลส ได้ระดับนั้นนั่นก็นแล้วแต่ระดับไหนแล้วข้อต่อไปท่านก็บอกว่าคนประเภทนี้คนประเภทนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการในข้าวแลนะน้าหมายความาการครองชีวิตของท่านในลักษณะที่เรียกว่ายังอัตภาพไม่เป็นไป ก็อะไรก็ไม่รู้แหละก็กินเข้าไปเคยอยู่ที่ประเทศอินเดียสองปีกว่าก็อยู่อย่างที่ก็นึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้าแหละพอเราไปเห็นอาหารปั๊บในวันแรกเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าทรงใช้คำว่ายังอัตภาพไม่เป็นไป เวลารับสั่งถามพระบอกว่าภิกษุเป็นยังไงพอทนได้หรือหมายความว่าจะประสบกับความขาดแคลนในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะขาดแคลนไปเีื่อยๆแล้วก็อยู่ให้ทนได้ที่อาหารมันไม่สม่ำเสมอมากบ้างน้อยบ้าง ก็ทำให้ผ่ายผอมที่ท่านบอกว่ามีเส้นเอ็นสะพั่งแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติไปโดยจิตใจที่ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยต่อปนาวุปสสักต่างๆที่เกิดขึ้นใช้คันติใช้ความเพียรใช้อธิษฐานอย่างจริงจัง หมายความอธิษฐ า, านจิตก็หนักแน่นมั่นคงจะต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งสตยญาธิฐานเอาไว้จะนั่งสมาธิให้ได้เท่านั้นจะบำเพ็ญภาวนาให้ได้เท่านั้นก็ต้องทำให้ได้ก็ทำได้ตลอดชีวิตแหละกระต่ายใดที่เรายังไม่ได้บรรลุเราก็ต้องทำตลอดชีวิตวันนี้มีคำว่าหยุด ความสำเร็จจิตที่ท่านบอกว่าทมที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็หมายความมันต้องเป็นพระอรหันต์แหละจึงจะจบทุกข์ได้จริงๆถ้าไม่ถึงพระอรหันต์มันก็ทมที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ประการต่อไปท่านกล่าวว่าถูกเหลือบยุงทั้งหลายกัดอยู่ในป่าใหญ่ยอมเป็นผู้มีสติอดกลั้นได้ อยู่ในป่านั้นเหมือนช้างอดทนต่อศสตราวุธในสงครามได้ฉะนั้นในความพระสมัยโบราณเนี่ยยังคิดว่าไม่มีกรดนะครเพราะว่าเราก็ไม่พบเรื่องของกรดเรื่องของมุมเรื่องของกรดแต่เราก็ไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมในสมัยนั้นว่ามันเป็นยังไงพอจะนึกย้อนหลังไปสมัยเป็นเด็ก ก็ป่ามันไม่เหมือนกระเดียดนี่ยป่ามันก็ป่าไปเที่ยในป่าก็นอนปูอะไรปูเสืออะไรองนอนก็นอนได้แล้วก็มีฟ้าเป็นเพดานกัน้นถูกน้ำค้างดืดๆืเ่เที่ยงคืนขึ้นมาบางทีก็ผ้าก็เปียกก็้องหาทางแก้ไข ตัดใบไม้อะไรแต่อะไร ต, ต่างๆมาคลุมไว้ภัยอันตรายมันไม่ภัยอันตรายจากผู้ร้ายเนี่ยไม่ค่อยมากภัยอันตรายจากสัตว์ก็ไม่ค่อยมากเพราะว่าอาหารมันคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ค่อยเบียดเบียนคนก็มองเห็นคนสมัยนี้ว่าไปไหนกามีเต็นท์เล็กๆกลางเขาก็อยู่ ไ, ได้เป็นปกติสุขดี พระสมัยนี้เข้าป่าก็ต้องพกกรดไป ก, ก็อยู่สบายดีนะที่จริงก็ดีกว่ามุงสมัยเดี๋ยวนี้ก็คงจะมีต่างจังหวัดในีนี้ก็คงจะมีก็ดีกว่ามุงเพราะถ้าเหล่านี้ก็ต้องอดการอดทนต่อไอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มันพวกเกลือพวกยุงพวกสัตว์มากัดมาต่อย ที่น่ากลัวก็คือการเข้าหูอ่ก็ต้องอะไรมาให้แน่ใจก็เอาอะไรมาอุดหูไว้ก่อนนอนเนี่ยแต่มันขึ้นไปอย่างอื่นมันเข้าไปที่อื่นมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกแต่ถ้าเข้าหูแล้วก็ยุงย่งแหละท่านบุรพาจารย์เนี่ยท่านอดกลัน้นอดทนเอากับปัญหาประศักด์ต่างๆมากแล้วก็ เป็นผู้อดกัน้นอดทนทนทานจนเรียกว่าอดกัน้นอดทนทนทานต่อปัญหาประสักด์ต่างๆที่เข้ามาเบียดเบียนในขณะนั้นๆไม่ปล่อยให้จิตใจของตัวเองหวัน่นไหวแต่กับสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าในการอดทนนั้น อดทนต่อความหิวโหวยต่างๆอดทนต่อการเสียดแทงของสภาพแวดล้อมหนาวจัดร้อนจัดน้ำค้างตกฝนตกเคยอ่านประวัติของหมวปู่แหวนผ่านไปทุดงอยู่ในป่าทางภาคเหนือฝนตกน่ะต่ ก, ก็นั่งอยู่งั้นนั่งเป็นกลุ่มประกันทดน้ำอยู่อย่างนั้น แล้วก็ก็บิดผ้าก็หม่มก็บาว่ามีผ้าชุดเดียวบิดผ้าแหง้งแล้วก็หม่มต่อไปจนแหง้งก็แสดงว่าทันทนทุกทรมานมากเหมือนกันหลวงปูแ่แหวนจึงเด่นดังเมื่อตอนท่านชาราลงมากแล้วชีวิตส่วนใหญ่ท่านก็อยู่ในป่า แต่ก็ไม่เคยพบท่านนะฮะเคยเจอประวัติแทนก็ น, น่าทึ่งก็ทำได้แต่ว่าพอระบบการศึกษามันเกิดขึ้นเราอยู่ในแวดวงของการศึกษาเนี่ยแต่เข้า่าสักระยะหนึ่งนี่มันไม่มีเวลาให้เราเรียนจบแล้วเอา้าต้องสอนคนอื่น ก็สอนกันอยู่เนี่ยทุกวันตอนแล้วสอนอีกกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ชั้นอะไรต่ออะไรก็สอนกันอยู่อย่างเงี้ยก็กลายเป็นทำลายโอกาสของเราที่จะไปทดสอบวิถีชีวิตแบบนั้นแต่บางครั้งบางคราวมันมีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยหรือสู่สภาพแปล้อมอย่างนั้นไม่ได้ ท้องทรายปั่นปวดไปหมดบุ่นวายไปหมดเจ็บใครไม่สบายก็ไปกันใหญ่มันก็กลายเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเหล่านี้ท่านก็เป็นท่านก็ต้องทนทนทนต่อปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็พยายามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้แล้วก็อยู่ในป่านั้นแหละหนาวจัดร้อนจัดหิวจัดประสบกับทุกขเวทนา แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสูกเสียดแทงในทางใจก็แนว น, นิบอล น, นั่นแหละอันนิบอนมันก็ตามเราไปอยู่ด้วยแหละก็ต้องต่อสู้กับนิบอนเหล่านั้นก็ชนะมันให้ได้ตอนนี้ถ้าทัานทำไปได้ถึงจุดตั้งแต่ประสบอบันขึ้นก็เป็นอุปธิวิเภก การอดพลแบบช้างสอนแบบช้างศึกที่อดทนต่ออาวุธซึ่งซั์มาจากทิศทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปมาบ่อยๆราะสมัยนั้นมันมีความชัดเจนเราเนึกดูว่าการรบทัพจับศึกแบบสงครามด้วยช้างเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่หน้าช้าง มันต้องมีอยู่รักษาเท้าของช้างรักษาหลังของช้างแม่ทัาบข้างบนก็จัดการกับข้าศึกที่จะมาทำลายพวกเจตุรงกระ บ, บาดเป็นต้นก็มีหน้าที่ปกป้องช้างแล้วปกป้องแม่ทัาบที่อยู่ข้างบนแล้วก็ปกป้องตัวเองคนสมัยโบราณเนี่ยอุตรหลุดมากนะรบราข้าฟันกัน แต่ก็อย่างนั้นเนี่ยนะฮะคือนึกดูถึงเรื่องรบราคากฝันกันเนียเมื่อไหร่มนุษย์จะเลิกสักทีนะมาสีหน้านี่มันเกิดมาในโลกนานเลกไกลเลยแล้วข้อที่หนึ่งยังไปไม่รอดเดี๋ยวนี้เราสอบข้อที่หนึ่งไม่ผ่านนลยนะไม่ต้องไปนับหลายข้อหรอกข้อที่หนึ่งยังสอบกันไม่ผ่านมันเป็นความสูญเสียที่นึกไม่ออกอะ่ะมันได้อะไรขึ้นมา อย่างเกตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นรกกบอเมริกาเนโอ้ยเครื่องบินก็ดีเรือรบ ก, ก็ดีมันพังไปไม่รู้สักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เงินทองมันเสียหายไปมากมาย ก, กายกองทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมาหาศาลจริงๆเพราะการมีกองทัพเนี่ยแหละ เราถ้าไม่มีกองทัพกันเนี่ยนะทรัพยากรต่างๆในโลกนี่คงใช้อีกนานนะคงใช้ได้อีกนานแต่นี้มันเอามาสร้างกองทพัพเอาเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียนี่นะหมดแร่ธาตุไปเท่าไหรในโลกเสร็จแล้วโดนระเบิดทีเดียวจมแล้วใช้ไม่ได้ละหายไปลวแล้วก็กลายเป็นปัญหาในท้องทะเล ในโอกาสต่อไปด้วยคือเราไปอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของผู้นำที่ขาดสินธรรมอยู่ภายในใจเพี่อแทนที่จะมาคุยกันในแง่ของธรรมะในแง่ของคนที่มีาศาสนาอยู่ในหัวใจมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่รกกัน เขบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ถ้าเกิดรบกับเพื่อนบ้านสักประเทศหนึ่งนะ<ร>เนงินมันจะหายไปวันหนึ่งนี่เป็นพันพันล้านเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเลาอยังคิดจะรบกันอีกเพราะอาวุธที่รบเอาเครื่องอะไรตระตรามรถถงรถถังอะไรแต่อะไรในเครื่องบินโอ้ยเครื่องบินนี่มันสร้างหมู่บ้านได้เป็นหมู่บ้านนะครับ เครื่องบินลำหนึงนึ ก, กว่าสร้างหมาวิษไหลได้เป็นหมาพิษไหลแต่ประตูทำลายจริงๆปังเดียก็เสร็จแล้วกลายเป็นเศษเหล็กไปเลยทำยังไงมนุษย์ได้คิดได้คิดที่จะเห็นโทษของการทำศึกสงครามใช่บ้างพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นโลกร้ายภรมแดน ไปมาหาสู่กันได้มีกฎเกณฑ์ก็อย่ายุ่มยิ้มมากเกินไปก็พื้นที่ของโลกเนี่ยเราไปครอบครองเราเองก็เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกสัตว์โลกควรจะแม่ไปมาหาสู่กันได้แล้วก็อีกแหละมันก็ไ ป, ปมีปัญหาอย่างอื่นมีปัญหาอย่างอื่นหลายๆปัญหาเหลือเคิน สรุปว่าโลกก็คงต้องให้เป็นอย่างนั้นเลยนะเราไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ครับในข้อต่อไปนั้นพระเทราได้กล่าวว่าเราเราไม่ยินดีความตายเราไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่หมายความว่าพระอรหันต์ในท่านไม่มีอัตตาเนี่ย ว่าฉันอยู่ฉันตายคือคำว่าฉันอยู่ฉันตายฉันเจ็บฉันป่วยฉันเหนื่อยฉันอะไรแต่ไรเนี่ยท่านไม่มีฉันเข้าไปอยู่ตรงนั้นท่านก็ไม่กลัวไม่ไม่พอใจในความคือไม่ยินดีต่อความตายเพราะว่าที่จริงถ้าเราเร่งอยากตายมันก็เป็นอาการภาวะตันหา ทีนี้ถ้าไม่อยากตายมันก็เป็นวิปวัตนาคือสรุปว่ามันก็เป็นตัณหาด้วยกันนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของศาสนาเรานะนานมาแล้วเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์นั้นก็สิ้นพระชนไปแล้วนานแล้วแต่ว่า ก, ก่อนที่จะเป็นสังฆราชน่าชื่นชมท่าน แต่ท่านก็พราดกันได้คือคิวถึงท่านเนี่ยมันก่อนสังฆราชองค์หนึ่งสิ้นประชนไปคิวก็ถึงท่านท่านก็ไม่ยอมรับเป็นแม้เขาอ้อนวอนกันยังไงท่านก็ไม่ยอมเป็นสังฆราชองค์ที่เป็นก่อนท่านอ่ะก็เลยสิ้นประชนอยู่ไม่กี่ปีก็สิ้นประชนคิว ก, ก็ถึงท่านอีกนั่นแหละ ท่านก็ไม่เป็นเด็กยาองคนอื่นเขาเป็นใครอ้อนวอนก็ไม่ยอมรับจะมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นเป็นเกี่ยวข้องก็เป็นญาติกับท่านเขาก็ไปกราบทูลให้ทรงทราบมันเป็นสุภาพสตรีนะแต่ท่านผู้ใดเพาะมากคมมากท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งกับท่าน ท่านกำลังจะเดิญวิปวะตัญหาโดนประโยคนี้เข้ามาเนี่ยเจ้าคุณสมเด็จสังฆราชองค์นั้นก็เงียบมคือไม่รับสั่งอะไรอีกเลยก็ต้องต้องเป็นสังฆราชอยู่นานสิบกว่าปีนี่ก็คือเราจะเห็นว่าเรายังมีตัวตนอยู่มันก็ต้องรู้สึกอยากเป็นไม่อยากเป็น แต่ความอยากเป็นมันก็เป็นภราวะตัณหานะไม่อยากเป็นมันก็เป็นวิภาวาตัณหานะี่จะเอาอะไรอะ่ะเป็นเรื่องที่ภารากิจเป็นหน้าที่พระหานทั้งหลายท่านก็ไม่มีตัวตนที่จะเป็นแต่ภารากิจที่ต้องทําในฐานะเป็นภิกษุรูปหนึ่งและในฐานะที่เป็นผู้อนุเคราะห์โลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระหานั้นท่านมีจิตกรุณาต่อสรรพสัตว์ ก็ต้องตับปฏิบัติงาน้องทำงานตามหน้าที่ของคนเราเนี่ยคือบางครั้งบางคราวในงานเหล่านี้มันอาจจะยุ่มหยิมเหมือนกวันนเดินกลับมาจากเทศมีเด็กนักเรียนสวนกุหลาบรู้สึกจะมอดสามนะฮะม .3 สามไม่ห้าคนมาถึงก็พุ่งพรวดมาเลยหลวงพ่อขอสนทนาปัญหาธรรมะหน่อย บอกเอาสนทนาอะไรกลางถนนโลกแต่สนทนาก็ต้องตามมาที่กุฏิแกก็ตามมานะก็ตามมาแล้วก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันไปคุยกันนานะ่ะเพราะว่าแกต้องถามแล้วก็จดไปแล้วก็ไปรายงานให้ครูบาอาจารย์ยังนึกว่าเราแก่ขนาดนี้แล้วมานั่งตอบปัญหาเด็กอยู่เนี่ยมานั่งตอบปัญหาให้แกเด็กอยู่ แต่วันนึกอยู่ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเพราะว่าเด็กแกก็ไม่รู้จักว่าพระองค์ไหนองค์ไหนใครเป็นใครก็ไม่รู้เดินมาถึงแกก็ไปถามเราถามเราก็ต้องตอบอ่ะก็เป็นการอนุเคราะห์มันเป็นหน้าที่จะไปคิดเล็กคิดน้อยอะไรก็ไม่ได้เป็นหน้าที่แล้วก็ออดีเหมือนกัน เขาก็ถามนะฮะเ้าก็เรียกไม่เคยเป็นเนะ่ยเรียกหลุงพ่อเรียกหลุงพ่อเราก็แก่เยอะแล้วก็เรียกหลุงพ่อลุงพ่อมีความเห็นยังไงตีพวกผมมาถามเนี่ยบอกก็กดีนะเป็นเด็กเป็นเล็กมันสนใจเรื่องศาสนาเข้าวัดความธรรมสับ้างก็ดีนะครูที่สั่งมาเขาก็ดีก็คิดดีก็อนุโมทนานี่นคือ เราจะเห็นว่าเราก็เดินตามรอยของพระอระหันต์เหล่านี้แหละเดินตามรอยพระพุทธเจ้ามันถือว่าเป็นหน้าที่แต่เรายังละอัตาตัวตนไม่ได้แต่นั่นเองพระอระหันต์นั้นท่านจะไม่ยินดียินร้ายกับการตายหรือการอยู่อยู่ก็ไม่ยินดีตายก็ไม่ยินดีเรเร่งความตายไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่ยินดีกับความตายแล้วไปฆ่าตัวตายไม่ใช่อย่างนั้นมือนก็เป็นวิพวะตันหาคือไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ก็เป็นการกระทําที่เป็นบาปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะแล้วก็มีคนบางคนที่เขาตั้งปัญหาว่าถ้าไม่ยินดียินได้แล้วทำไมไม่ฆ่าตัวตายล่ะเอาไปฆ่าตัวตายมันก็ยินร้ายสิยินร้ายต่อการมีชีวิต ไม่ฆ่าตัวตายมันก็ไม่ใช่ยินดีว่าเราไม่ตายหรอกแต่ไม่ตายก็คือไม่ตายจาบใดที่ยังไม่ตายก็อย่างน้อยก็คว้าวัตถายาดโยงเขาก็ทำประโยชน์ไปถ้าที่ทำได้ชีวิตก็เรายังมีอยู่เราก็ทำไปท่านบอกว่าแต่รอคอยเวลาตายอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตั้งใจรอนะฮะเพราะว่ามันต้องแต่ แตกดับแน่แเลไปคิดเร่งรัดพรุ่งนี้ตายเถอะมารีนี้ตายเถอะตายได้แล้วแก่แล้วมันไม่ตายก็คือไม่ตายมันตายมันก็คือมันตายมาความถึงคราวตายก็พร้อมที่จะตายไม่ถึงคราวจะตายก็ก็ดีไปก็ไม่ว่ากันก็อยู่ทํางานกันไปแล้วก็ ท่านบอกว่าเหมือนกับลูกจ้างรอคอยหมดเวลาทำงานมากว่ามาถึงเวลาทำงานก็ทำไปทำไปพอหมดเวลาทำงานก็เลิกแต่ไม่ต้องไปเร่งเวลาเวลามันเป็นเรื่องของเวลาแต่เราก็เร่งในการทำงานของเราเวลาเท่านี้เราทำงานได้เท่านี้ก็เหมาะสมแก่เวลาแล้วประการต่อไปท่านบอกว่า เราไม่ยินดีความตายทั้งไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่แต่เป็นผู้มีสติสมัมปันญะรอคอยความตายอยู่เท่านั้นหมายความว่าอยู่ยังมีสติสัมมชัญญะพระอานนท์ท่านสติสมบูรณ์นะฮะปัญญาทั้งสมบูรณ์ปัญญาโก น, านัญญาในสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์แล้วท่านบอกว่า พระศาสดาเราได้อยู่ใกล้ชิดแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทําเสร็จแล้วพระที่หนักก็โปร่งได้แล้วตัณหาที่จะนําไปสู่พบมันก็ถอนขึ้นได้แล้วนี่คุณสมบัติของพระอาหารหันต์แต่ทีนี้คุณสมบัติของพระอาหารหันต์เนี่ยมันเยอะมากคือไปรู้จัอธิบายกันยังไงไม่หวาดไม่ไหวก็ พระยากนธัญญาท่านได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็คำสอนที่เรียกว่าพรหมจันทร์ที่พระเจ้าทรงแสดงทรงสั่งสอนไว้ท่านก็ทำได้เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ทรงแสดงอนัตตลักษณขณะสูดจบพระ ญ, ญากนธัญญาก็เป็นพ ร, ระอรหันต์เสร็จภารากิจ ก่อนคนอื่นเขาภาระหนักคือการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าขันห้านี่เป็นภาระที่หนักก็ปรงปลกได้แล้วไม่ไปยึดมั่นโดยอุปาทานที่ท่านบอกว่าอาสเวหิจิตานวิมุตจิงสูติจิตหลุดพ้นแล้วจากอานสวะไม่ถือมั่นโดยอุปาทาน แล้วตัณหาที่เป็นตัวนำไปสู่พบเนี่ยตัณหาชเนติปุริสังธนายังชนให้เกิดทีนี้เมื่อตัณหามันหมดมันก็ไม่มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดพระเทรศท่านได้ถอนตัณหาหมดสิ้นแล้วถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลราคือวิชาได้หมดแล้วนี่เราจะเห็นว่าก็เป็นเรื่องของพระเทรารูปเดียว ในลักษณะของเทระคาถาเท ร, รีคาถาก็จะมีแนวอย่างเงี้ยคือหมายความว่าจะยาวเป็นพระสูตรเหมือนกันนั่นแหละที่จริงก็แบบพระสูตรเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่เขาไม่เรียกสูตรเขาเรียกตามลักษณะของคำสอนแต่ที่จริงทุกข้อก็คือเป็นสูตรนั่นแหละเพราะว่าร้อยกรองเรียบเรียงไว้อย่างดีนะถูกต้องมีความสมบูรณ์ในแต่ละข้อ อะไรก็ตามที่นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลตามที่ท่านแสดงเอาไว้ต้องฟังทั้งหาลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี